มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะจบปริญญาตรีแล้วก็สอบเข้าเรียนปริญญาโทตอนที่รู้ว่าสอบเข้าได้นี่ก็ดีใจแต่พอเรียนไปสักพักเนี่ยก็เกิดเครียดขึ้นมาตัวเองเนี่ยเรียนวิชาหรือคณะวิทยาศาสตร์แต่พอรู้ว่าเพื่อนที่จบไปปริญญาตรีเนี่ยเขาไปได้งานเกี่ยวกับเรื่องเป็นโปรแกรมเมอร์นะ ทำเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์ได้เงินเดือนสตาร์ทเนี่ยสามมื่นตัวเองก็เกิดลังเลขึ้นมาเพราะว่ามีคนบอกว่าเนี่ยเรียนจบวิทยาศาสตร์ไปแม้ปริญญาโทก็ตามเนี่ยเงินเดือนแรกเริ่มนี่ก็ไม่ถึงหรอกนะสาม0มื่นรู้สึกไม่อยากจะเรียนละนะวิทยาศาสตร์ยิ่งได้ฟังเพื่อนเล่านะว่าที่ทำงานนี่มัน รายได้ดียังไงบ้างเกิดอยากจะเปลี่ยนคนะณะที่เรียนอยากจะไปเรียนด้านคอมพิวเตอร์บ้างแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความกุ่มใจเปรียดจนน้อยไม่หลับเลยป้าเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยหลานี่เครียดก็ถามว่า เครียรเรื่องอะไรก็ล่าฟังอย่งนี้ปาก็เลยพูดเตือนใจว่าเนี่ยในที่เขาเรียนแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะๆเนี่ยนะอย่าไปมองแค่นั้นนะเขาก็จะพูดธรรมดาคนเราก็จะพูดโช ว, ว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรดีบ้างแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาไม่พูดน ะ, ะนั้นเขาาจจะมีปัญหาในที่ทำงาน มีความเครียดจากการทำงานทำงานไม่มีวันหยุดหรือว่าเจ้านายนี่คอยเรียกใช้ไม่เป็นแม้กระทั่งเวลากลางคืนในเรื่องแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนก็นได้แต่เพื่อนเขาไม่เล่าเขาก็เล่าแต่ว่าโอ้ยฉันทำงานได้เงินเดือนหลายหมื่นอันนี้เนี่ยน่ต้องนป้านี่ก็บอกก็เตือนว่าเนี่ย เออย่าไปอมองอะไรง่ายๆแบบนั้นนะ mm hmm. เพียงแค่ฟังเพื่อนเล่าแล้วก็จะทําให้เขวแล้วก็เรื่องที่สำคัญเนี่ยนะการทํางานเนี่ยสิ่งสําคัญมันไม่ใช่ที่เงินเดือนหรอกแล้วป่าวก็ลอยฟังว่าในตอนที่ตัวเองยังสาวเนี่ยนะก็ะเคยมีความทุกข์ใจที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าเพื่อนนะ เพื่อนเขาเรียนจบพา น, นิด่วยเขาได้งานรายได้ดีเงินเดือนเยอะแต่ตัวเองนี่รายได้หรือเงินเดือนนี่น้อยร้องไห้นะไปตัดพ่อให้พ่ออได้ยินพ่อก็เลยพูดเตือนว่าเนี่ยไอ้รายได้เนี่มันไม่สําคัญนะได้มากเท่าไหร่เนี่ยไม่สําคัญเท่ากับว่าเหลือเท่าไหร่นะ ได้มากนะแต่เหลือไม่เท่าไหร่เนี่ยแถมเป็นหนี้ด้วยเนี่ยอันนี้มันแย่กว่าแล้วเงินเดือนไม่น้อยนะเงินเดือนเยอะนะแต่ว่าใช้จ่ายสูดรุสูด ร, ร่ายนะไม่รู้จักเก็บพร้อมรอมลิฟจ่ายในสิ่งที่ไม่ควรจ่ายรายได้เยอะนะเงินเดือนมากแต่สุดท้ายนะกลายเป็นหนี้เพราะไม่เหลือเลยนะพูดนะอย่างนี้ก็ทำให้อะ ลูกสาวเนี่ยนะก็เกิดได้คิดขึ้นมานะทำให้รู้ว่าเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยยู่ที่รายได้นะแต่มีทุนเหลือเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะที่ป้าก็มาเล่าให้หลานฟังในถึ่งที่ป้าประสบการณ์ป้านี่ก็สำคัญนะที่เล่าปัญหาแล้วเนี่ยพ่อก็ให้ข้อคิดเนะี่ยว่า ได้เท่าไหร่นี้ไม่สำคัญเท่ากับว่าเหลือเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยได้คิดกันเท่าไหร่นะโดยเพราะคนรุ่นใหม่นะคิดแต่ว่าเนี่ยฉันอยากได้เยอะๆอยากได้มากๆแต่ว่าไม่ได้ตระหนักว่าเนี่ยท้ายเนี่ยมันมีอะไรเหลือไหมหรือว่าติดลบนะอันนี้อย่าได้ว่าอยวว่าแต่เงินเดือนเลยนะ โชคลาภก็เหมือนกันนะคนนี่อยากได้โชคได้ลาบอยากถูกรัตเตอรี่นะอยากมีรายได้หรือว่าลาบเยอะๆแต่ไม่ค่อยมองว่าเนี่ยสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะหลายคนเนี่ยนะถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะได้นะเกือบสิบล้านหรือบางทียี่สิบล้านแต่สุดท้ายนี่ ไม่เหลืออะไรเลยแถมเป็นหนี้ซะอีกนะเพราะว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่รู้อยากจับยังช่างจไม่รู้ว่าอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายเพราะว่าเขาไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ได้มาแต่ไม่ได้ความสำคัญกับสิ่งที่เหลือนะไอ้สิ่งที่เหลือเนี่ยนะมันสำคัญกว่านะเพราะว่ามันสามารถที่จะ ต่อเติมหนุนเสริมให้เรามีอนาคตที่กว้างไกลได้ที่จริงเรื่องนี้พุทธศาสนาท่านท่านก็สอนไว้นะอุตจาห์ใเมรอนเฉพาะเรื่องการออกจากทุกข์แต่รวมถึงการใช้ชีวตทางโลกอย่างผาสุกนั้นท่านก็เลยสอนเรื่องการใช้จ่ายรั์ด้วยเช่นพอได้เงินมาเนี่ยท่านแนะเลยนะว่าให้ใช้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวให้มีความสุขแต่เงินที่ใช้ในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัวหรือคนแดบบ้ร้อยให้มีความสุขนี้ท่านได้ไว้ใช่หนึ่งในสี่เท่านั้นนะได้ร้อยเนี่ยใช้เพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุขแล้วครอบครัวเนี่ยยี่สิบห้านะอีกห้าสิบนี่ท่านสอนว่าเนี่ยให้เอาไปใช้ในการลงทุนนะเช่นอาจจะซื้อรถสำหรับใช้ในการค้าขาย บางคนนี่ค้าขายจะไม่มีรถก็ผ่อนรถเพื่อทำให้ค้าขายได้สะดวกถลถรายจ่ายหรือว่าต่อเติมร้านขยายร้านซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาเพื่ อ, อทำอาชีพได้สะดวกเป็นช่างไม้ก็ซื้อ อ, อุปรกรณนะ์ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาอันนี้ก็ถือเป็นการลงทุนนะเพื่อการ ทำมาหากินหรือลงทุนในการศึกษาต่อยอดความรู้ที่มีซึ่งเดี๋ยวนี้จำเป็นมากและท่านก็แนะว่าเนี่ยอีกหนึ่งในสีนะ่นเก็บเอาไว้นะเพื่อใช้ในยามจำเป็นเอาคนเรานี่ถางว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะคือรู้จักใช้อย่างที่ว่ามาไหนน้อยๆ เ, เนี่ยมันก็จะมีเงินเหลือเงินเก็บนะเพื่อใช้ ในยามจําเป็นยังไม่ต้องพูดถึงว่าเงินที่ใช้เพื่ออลงทุนในการประกอบอาชีพนี้ถ้าได้มาเท่าไหร่เนี่ยหรือแม้จะได้น้อยเนี่ยแต่ว่ามันก็ทําให้มีอนาคตไดน้นี้คำสอบอันนี้ควนก็ไม่ค่อยสนใจกันแล้วนะสนใจแต่เพียงว่าขอให้ได้เยอะๆก็พอแต่ใช้อย่างไงไม่สนใจมันก็เลยพลาดท่าเสียทีกับสิ่งร่ำเรา เ, าเาย้ายวน ที่สาคัญคือวเวลาทํางานเนี่ยนะอย่าไปมองแต่เพื่อแค่ไรายได้ต้องมองว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราชอบไหมจะเรียนวิชาไหนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรียนเลือกเรียนแต่วิชาที่ทําให้มีไรายได้เยอะๆแต่ว่าเรียนแล้วก็มีความทุกข์บางทีเรียนไม่จบแต่ควรถามตัวเองเรียนไปเนี่ยนะวิชานั้นเนี่ยเราชอบไหมเราถนัดไหมอันนี้สําคัญกว่ารวมทั้งเวลาทํางานนะ ก็ต้องดูว่าเนี่ยเราได้งานที่เราถนัดไหมเรามีความสุขกับงานนั้นไหมไม่ใช่คิดแต่เพียงว่ามีรายได้เยอะๆนี่คนรุ่นใหม่เนี่ยหลายคนพอเรียนจบเนี่ยคิดแต่ว่าเนี่ยทำไงจะได้งานที่มีรายได้เยอะๆเงินเดือนมากๆนะแต่ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยว่าเออสิ่งสำคัญกว่าในยามที่เราเพิ่งเรียนจบเนี่ยก็คือประสบการณ์ซึ่งก็เป็นความรู้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะอย่างหนึ่งและมันจะดีมากขึ้นนะถ้าว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่ได้ทำ เ, เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยสนใจแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยเราชอบไหมเราถนัดไหมเพราะว่าไม่รู้โดยซ้ำว่าชอบอะไรถนัดอะไรสนใจแต่เพลงว่าจะมีรายได้ตอบแทนมามากน้อยแค่ไหนพอกิ๊แค่นี้เนี่ยมันก็เลย เยไม่มีความสุขทำงานก็เปลี่ยนงานอยู่เรื่อยไม่ใช่เพื่อหาประสบการณ์นะแต่เพราะว่าเพื่อจะได้มีเงินเดือนมากๆท้ายพอถึงจุดหนึ่งก็ไม่มีประสบการณ์มากพอนะที่จะไปต่อยอดให้สามารถพัฒนาอาชีพการงานที่ตัวเองถนัดแล้วก็มีความรักเพราะั้นเวลาทำงานนี่มัน มันมีหลายปัจจัยที่ควรจะไข้ควรมากไม่ใช่คิดแต่เพียงแค่เงินเดือนว่าได้เท่าไหร่ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ในที่สุดก็เรียกว่าคิดสั้นนะแล้วก็อาจจะจนตรอกได้ในที่สุดนะ